พิธีสละจีวรที่เป็นนิสกีสละแก่สง์ภิกษุโรบนั้นพึงเข้าไปหาสง์ห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งประโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้กระผมออกปากขอจากเครืหัดผู้ไม่ใช่ญาตินอกสมัยเป็นนิสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่สงครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัต ภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยติกรรม a วาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพระเจ้าจีวรผื น, นนี้ของภิกษุเช่อนี้เป็นนิสกีเธอสละแก่สงพระสง์พร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผพนนี้แก่ภิกษุเช่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตราสงเฉียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรนสา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 ขันสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วเคินจีวันที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมเคินจีวันเพล่ น, นี้ให้แก่ท่าน